เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตใจให้สงบด้วยอบรมกายให้สงบด้วยสงบทั้งสองอย่างคือกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไปทางอื่นจิตใจก็พยายาม สำรวมเข้ามาภายในให้มันนิง่งโดยอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทิรลึกอันประเสริฐของตนอธิษฐานลงด้วยอำนาจคุณพระรัตนกรายนี่ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบ ระงับลงเป็นหนึ่งขอให้มีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเมื่ออธิฐานใจเสร็จลงไปแล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พร้อมกับนึกพุทธโธในใจสำหรับผู้ที่เคยนึกคิดถ้าไม่ได้นึกคิดแล้วใจไม่ตั้งลงได้อย่างนี้ถ้าจะมาเพ่งแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันสงบไม่ได้เลยอย่างนี้ก็นึกพุทธโธเอา เอาคุณพระพุทธเจ้านั้นไปตั้งไว้ในจิตใจให้ใจมันนึกถึงแต่พุทโธนั่นเมื่อมันยึดพุทโธได้แล้วมันก็จะไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นมันก็จะมีแต่พุทโธอยู่ในจิตอย่างเดียวนานเข้านา น, านเข้า เมื่อจิตถูกเพ่งเข้าไปภายในไม่ส่งออกข้างนอกแล้วมันก็มีแต่มันจะสงบลงสงบลงไปเรื่อยเรื่อยถ้าหากว่าเพ่งออกไปข้างนอกแล้วมันสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตึงต้องต้องรวมเอาความคิดความหมายความรู้ต่างๆ เข้ามาในภายในปัจจุบันนี้เสมอนี่แหละการสำรวมจิตในเรื่องภาวนาให้พึงเข้าใจเมื่อเราสำรวมความคิดความรู้สึกความหมายต่างๆเข้ามาไว้แห่งเดียวกันแล้วมันไม่ปล่อยให้มันฟุ้งไปแล้ว มันก็มีแต่มันจะสงบลงนะจิตนี้นะการหมายความว่าตัวเองนั่นแหละต้องการความสงบไม่ต้องการคิดส่งสายออกไปมันไม่มีสองมีสามอะไรหรอกจิตมีดวงเดียวนั่นแหะถ้ามันน้อมไปทางความสงบมันก็สงบลงได้ถ้ามันน้อมไปในทางความคิด มันก็คิดฟุ้งไปมันเป็นอย่างนี้แหละจิตดวงเดียวอย่างวะแต่ทีนี้จิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะขาดความอดทนแล้วมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันก็ต้องคิดใส่ไปห้ามไม่หยุดนี่ บางคนก็ว่ามันห้ามจิตไม่อยู่เลยห้ามไม่ให้คิดมันก็คิดอยู่อย่างนี้นะที่มันเป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสติมันยังอ่อนอยู่นั่นแหละขันติความอดทนเพ่งพินิจ์อยู่ภายในนี่มันก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นจิตมันจึงสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ กิเลสมันจึงผลักดันให้จิตคิดส่งออกไปสงบอยู่ภายในไม่ได้นั่นๆันอย่าไปสงสัยถ้าว่าจิตใจไม่สงบก็ให้นึกว่าความอดทนมันก็ น, น้อยไปต้องอดทนเพิ่มเข้าไปอีกคืออดไม่คิดอย่างนี้นะแล้ว เพิ่มสติมันเข้มแข็งเข้าไประลึกเข้ามาภายในลมหายใจเข้าออกนี่ให้มันทีเข้าไปอย่าให้มันห่างสติให้มันระลึกลู่ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกขณะเวลาที่หายใจเข้าหายใจออก พิายามให้สติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกติดต่อกันอยู่อย่างนี้ mm. นี่เรียกว่าฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นแลนี้จิตมันไม่มีช่อง ท, งทางที่จะคิดไปทางอื่นแล้วมันก็ต้องสงบลงมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอ่อนแอถ้าไปอ่อนแอแล้ว สงบไม่ได้จริงๆเนี่ยจิตเนี่ยพวกกิเลสมันผลักดันเอาทีนี้บางคนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็ไม่ตามไปรักษาไม่น้อมสติลงไปหาความรู้นั้นสักหน่อยมันก็ถอนขึ้นมาอีก ดังนั้นเมื่อจิตมันสงบลงไปตะสติก็ต้องตามไปให้ทันกับจิตจิตสงบอยู่ตรงไหนสติก็ให้อยู่ตรงนั้นมันก็จิตก็หมายถึงความรู้นั่นเองแหละเมื่อความรู้นัน้นมันมีแต่รู้อย่างเดียวมันไม่มีคิด มันไม่มีปรุงไม่ีแต่งแล้วก็แสดงว่าจิตมันตั้งลงได้มันสงบลงได้สติก็อยู่ที่รู้นั่นแหละสติก็ควบคุมไอ้ความรู้อ น, นั้นแหละให้นิ่งอยู่ต้องทําอย่างนี้อันการที่จิตใจมันจะสงบลงได้นะอืา ทำอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญเพราะว่าเราทำความกล้าหาญกับสิ่งอื่นเรายังกล้าหาญได้เช่นทำการทำงานหนักอย่างนี้นะมันก็ต้องใจเข้มแข็งต้องทำกำลังกายเข้มแข็งมันก็จึงยกของหนักได้ หรือว่ามันก็จึงแบกของหนักได้ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่เข้มแข็งก็แบกของหนักก็ไม่ได้เลยเรายังทำได้ืาอทีมาอดกัน้นทนทานเม่ให้จิตมันคิดนี่ทำไม่ได้มันก็ใช่ไม่ได้เลย <c oughs> แต่งานยังอื่นทงยังทำได้หนักกว่านี้จนว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนู่นมันก็สู้อันนี้ไม่ได้ถึงกับเหงื่อออกอะไรเลยก็อยา ก, กลัวเสียแล้วไม่กล้าสู้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าสู้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสมาหิโตยะ่าปูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วยอมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้นี่พระพุทธภาษิตนี่นี่ยยืนยันไว้แล้วว่าบุคคลที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ในนามในรูปหรือในขันทั้งห้าธาตุทั้งสีอันนี้ได้โดยแจมแจ้งก็เพราะว่าทําใจให้ตั้งมั่นนี้แหละหมายความว่าอย่างนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันยอมรู้ไม่ได้เลย <c oughs> คําว่ารู้ในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งเห็นแจ้งด้วยทั้งรู้ด้วย แล้วก็ทั้งเบื่อหน่ายด้วยหมายเอาอย่างนั้นรู้เห็นธรรมดานี้ไม่เบื่อไม่หนายนี่มันก็เรียกว่ารู้ตามวิญญาณหมายตามสัญญาเฉยๆอมันมันก็ละความยึดถือไม่ได้รู้ตามสัญญาตามวิญญาเฉยๆนี่นะมันละไม่ได้ ต่อเมื่อได้เพ่งพินิษเข้าไปเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเกิดจากความสงบใจนั่นน่ะนั่นแหละมันถึงจะสังเวชสรลดใจแล้วก็เบื่อหนายสังเวช ท, ทำไมอ่ะก็สังเวช ท, ที่จิตใจมาหลงอาศัยยึดถืออยู่ในของไม่เที่ยงนี้นะหน้าสังเวช ของนี่ไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากด้วยทั้งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ยังมางมถือว่าของเราอยู่อย่างนี้นะยังหวงแหนยัว <c oughs> ยังใช้ ไ, ไปทาบาปทำกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นยัวอย่างนี้ เมื่อใช้กายวาจาทาชั่วพูดชั่วเข้าไปแล้วกรมชั่วนั้นมันตามสนองจิตนี้ไม่ได้สนองกายบ้นีร่างกายนี้มันก็แตกสลายลงอยู่พื้นแผ่นดินนั่นไม่ไปไหนอะดวงจิตนี่สิรมชั่วที่ตัวทานั่นมันฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิ เมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสังเวชขึ้นสังเวชสรดใจว่าตนนี่มันหลงมันเมาจริงๆเมื่อมันรู้ตัวได้อย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในความยึดความถืออันนี้ความสำคัญผิดนี่เมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดถือได้ เหมือนเราเบื่อหน่ายของบางสิ่งบางอย่างนี่แหละเมื่อเห็นว่าของนี่มันใช่ไม่ได้แล้วหน้าเบื่อหน่ายมันก็โยนทิ้งเลยมันจะไม่ถือไว้เลยเป็นอย่างนั้นแหะถ้ายังเห็นว่าของนี่มันดีอยู่มันใช้ได้อยู่ เช่นนี้มันก็ไม่โยนทิ้งมันก็ถือเอาไว้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นน่ะจิตใจนี้เมื่อมันยังเห็นว่าขันห้านี่เป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่อยู่อย่างนี้แต่มันมันก็ไม่ยอมทิ้งแล้วมันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> เมื่อยึดขันห้า อันนี้แล้วมันก็ยังไม่แล้วนะมันยังไปยึดขันห้าอื่นเข้าไปอีกมันลามไปทั่วเลยเป็นอย่างนั้นถ้ามันปรงขันห้านี่ลงได้มันก็ปรงขันห้าอื่นได้เหมือนกันนะเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันมีลักษณะอาการอย่างเดียวกัน คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรรถตาเหมือนกันหมดเลยขันห้าใดๆก็ดีทั้งย่างหยาบทั้งย่างกลางทั้งยางละเอียดสุขขุมอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ในลักษณะสามนี้เหมือนกันหมดเลยดังนั้นเมื่อจิตนี่มันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีลง ทำราคะโทสะโมหะให้น้อยเบาบางลงไปโดยลาดับถึงจะละให้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ได้ก็ทำให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้เรื่อยไปมันก็มีอยู่สองประการอย่างนี้แนะหละไอ้การละความยึดถือนี่นะประการแรกนั่นหมายถึงว่าปัญญามันแก่กล้าเต็มที่แล้ว ก็สามารถละความยึดถือได้เด็ดขาดไปเลยท่านเรียกว่าสมุดเฉดถ้าประหารประหารกิเลสอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เด็ดขาดไปเลยแต่ทางค้ประหารประหารไปได้ชั่วระยะหนึ่งนั่นแหละ วิขำพะระนภาหารคือละไปได้นานสมควรอยู่กลัวมันจะถอนนะ่ะวันนี้เราบำเพ็ญไปเพื่อที่จะให้ได้สมุิเฉดป้าะหาหนุนคือว่ามุ่งหวังให้มันละขาดไปเลยต้องต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นการละความยึดความถือเนี่ย ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นมันไม่ทำความเพียรพอมันละส่วนใดส่วนหนึ่งได้แล้วมันสบายใจแล้วก็เฉยสิไม่พยายามว่าตนมีความสบายอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าจะพยายามไปทาไมอ่ะมันอย่างนี้แหละ คนเราเมื่อมันขาดปัญญาความรู้ความฉลาดเสแล้วการกระทำความดีใดๆมันก็ไม่ค่อยจะราบรื่นไปได้มันก็ไปหยุดชะงักลงกลางคันเพราะฉะนั้นแหละการสั่งสมบุญกุศลอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่มันจึง ทำไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเหตุว่ามันเข้าใจผิดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยพอทำไปได้ความสบายหน่อยหนึ่งแล้วก็พอใจแล้วก็หยุดอยู่เสียไม่ทำความเพียรต่อมันก็เลยไม่รู้ยิ่งขึ้นไปกลัวเดิมรู้อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้ น, น่ เห็นอย่างไรก็เห็นอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้าไปได้ละความยึดความถือก็ไม่ได้ละได้เพียงเท่าที่ละได้มาแล้วเท่านั้นพอเผลอตัวมันก็กลับไปยึดอีกการละ ไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยมันมันกำเริบได้ว่าว่าเรื่องนี้ละมาได้แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นความรักไงนี่ละมันมาแล้วในขณะ น, นี้จิตเป็นกลางอยู่เลยไม่รักไม่ชังท่านพอจิตถอนจากความสงบอา้ามันก็กลับไปรักอีกแล้วนี่ ท่านเรียกว่ากุปปะธรรมโมแปลว่าธรรมนั้นยังกาเริบอยู่มันยังใช้ไม่ได้ต้องเตือนตนถ้าจิตใจของใครเป็นอย่างว่าเนี่ยก็อย่าไปนิ่งนอนใจต้องเล่งความเพียรเข้ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละ มันมากระตุ้นเตือนใจของคนเราไม่ให้หยุดดิ้งให้ทำความเพียรสำหรับผู้เบื่อทุกภัยในวัตฏะสงสารนีความรักอย่างนี้ถ้า ส, สะสมมันให้มากๆเข้าไปมันก็ก่อให้เกิดทุกนาดาประการเลยทุกทั้งร่างทา ง, างทางจิตใจด้วยทุกทั้งร่างกายด้วย <c oughs> ความชังก็เหมือนกันเนะ่ะเมื่อสะสมให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็บเป็นเหตุให้ทำบาปทำความชั่วต่างๆนาน า, นาใส่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวความรักเมื่อสะสมให้มากๆเข้าไปก็เป็นเหตุให้ ข้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสามาวาดดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาทุกอย่างเพราะความรักอันนี้นมันประกอบไปด้วยอวิชชาความไม่รู้เหตุนั้นมันถึงได้ประกอบกรรมอันชั่วคนเรานะแต่ความรักอีกชนิดหนึ่ง ที่มันประกอบไปด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดอย่างนี้มันก็ให้คุณเช่นรักตัวเองอย่างนี้นะเมื่อมามองดูตัวเองนี่ว่ากลัวว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่วิบัติเสียหายแต่อย่างใดเช่นนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆได้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้จริงๆแสดงว่าแต่าชาติก่อนนันตนได้ทําบุญกุศลตนได้ให้ทานได้รักษาศินไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเอ่อตนได้เจริญเมตตาภาวนาได้แผ่ไมตรีจิต อุทิศความดีที่ตนทำให้แกรัพรสัตว์โลกทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้อา น, นิสง์ให้ทานนั้นให้ทานเข้าน้ำโภชนะอาหารผ้าหนุ่งผ้าโฮมที่อยู่ที่อาศัยมือนี่มันก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรง มีกำลังวังชาดีมีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการกินบริโภคพอสมควรมีผ้าหนุ่งผ้าหม่มไม่ขาดแคลนแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์ดีโรคภัยอันร้ายแรงไม่ไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกาย อันนี้เกิดจากการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลมาแต่ชาติก่อนคนใดชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนแล้วกรรมนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายนี่รักษายัางไงก็ไม่หายก็ควรรู้ตัวผู้ใดเป็นอย่างนั้นน่ะ นั่นแหละกรรมเวรที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดมาแต่ชาติก่อนห้นหลังกรรมนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเมื่ อ, ม, อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นนีนี้เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นอัตภาพ ร่างกายที่ได้มาด้วยบุญอย่างเนี้แล้วมองดูจิตใจวะนี้จิตใจก็ดีใจไม่เป็นคนใจดําอมหิทไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมีจิตใจเผื่อแผ่เอเื้อเฟื้อแก่บุคคลที่ควรเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้ามาเห็นจิตใจตนเองเป็นอย่างนี้ ก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยอบรมจิตใจมาฝึกใจให้ดีให้มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้รู้จักสงเคราะห์สงหาผู้อื่นกิริยาบุญกิริยาวัตถุดังกล่าวมานี่แสดงว่าตนเคยกระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังโน่นมัน เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเกิดมาในชาตินี้จิตใจมันก็จึงได้น้อมไปในทางเมตตากรุณาสงเคราะห์สงหาผู้อื่นและสัตว์อื่นและน้อมไปในความเมตตาตนอยากจะยกตนออกจากทุกข์เห็นว่าการ เกิดมามีขันห้าธาตุสี น, นี่ขึ้นมานี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะมามัวสำคัญว่าของเราของเขาแล้วทําความกำนัดยินดีอยู่ในขันห้าอันนี้ไม่สมควรเลยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะได้อาศัยมันไปอยู่ไม่นานสักหน่อยมันก็จะแตกดับทําลายไปแล้ว เมื่อหมดบุญหมดวาดสนาเก่าที่ได้ทํามาแต่ก่อนลงไปเมื่อได้รูป ก, กายนี้มันก็แตกสลายลงเมื่อนั้นเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจก็รีบเร่งทําความเพียรเ่งพินิษสํารวมกายวาจาจิตของตนให้ ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปในอกุศลต่างๆเพราะว่าเรื่องของบาปกรรมก็เห็นแจ้งมาแล้วอย่างนี้นะเห็นแล้วว่าบาปกรรมนี่เป็นของหน้าเบื่อนายเพราะว่ามันให้ผลเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้กระทาจริงๆ อยางนั้นนะจึงไม่ยินดีที่จะสะสมบาปกรรมต่างๆไว้ไม่ยินดีสะสมความโลภความโกรธความหลงอันเป็นต้นตอของบาปกรรมต่างๆนั่นแหละมูลเหตุที่ให้บุคคลเรากระทำสั่งสมบาปอากุศนกรรมต่างๆใส่ตนนั่นนะมันก็ มูลเหตุสามประการนี้เองแหละเมื่อใช่อื่นไกลอะไรการที่บุคคลจะมาบรรเทาความโลภโกรธหลงอะไรนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ก็เพราะมาเพ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์อยู่เสมอ ก็เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกแกระดับอยู่แล้วไม่ทราบว่าจะใช้ร่างกายนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำไมอะ่ะนี่แหละก็ใช้มันสเสวงหาเลี่ยงชีพโดยทางที่ชอบซะได้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตนั้นมาโดยทางที่ชอบโดยศีล ร, รมแล้ว อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม่นจะได้ของหยาบมาหรือของละเอียดมาอย่างไรก็ตามแหละเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปไม่ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เคยมีมาแต่ก่อน อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในร่างกายสังขาร น, นี่ตามเป็นจริงแล้วก็ไม่กระทำบาปนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นทีเดียวเช่นอย่างท่านผู้เจริญวิปัสนาแล้วได้บรรลุโสดาปฏิผลอย่างนี้นะ<ม>เห็นแจ้งในร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต า, ตามเป็นจริงนูไปแล้ว ท่านไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ไปทำบาปมีค่าสาัตว์เป็นต้นเลยเรียกว่าอันนี้ละบาปนี้ขาดด้วยอำนาจแห่งสมุิเฉดทประหารจริงๆถอนรากเก้าของบาปอากุศลออกจา ก, กจิตใจได้โดยแท้เลยไอยกิเลสชนิดนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในดวงจิตของพระโสดาบันต่อไปเลย จ่านจีเนว่ลละมันขาดได้เพราะนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้เจริญวิปัสนาปัญญาเข้าไปเมื่อเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมขุนธรรมวิเศษดังกล่าวนั้น ก็สามารถละบาปอากุศลต่างๆได้ถึงไม่ขาดก็เรียกว่าส่วนยามยาบนี้ละได้ไปเลยถ้าจะยังก็ยังส่วนกลางหรือส่วนละเอียดไปนู่น ม, มันก็เป็นขั้นตอนไปในการละบาปก็ดีข็อสำคัญก็ขอให้ละบาปขั้นยามยาบนี้ให้มันได้น่ไ เพราะว่าบาปขั้นย่ำยาบนี่มันพาไปนรกนะมันได้รับทุกข์ทนทรมานมากได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นานเสียด้วยนะให้พากันกลัวอย่าไปสำคัญผิดคิดว่าบาปเช่นว่านี้จะไม่มี ถ้าหากว่าบาปอย่างว่านี่มันไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้เลยพระองค์ไม่ไม่หลอกลวงคนหรอกความจริงนะองค์จะหลอกไปเอาวิมานอะไรล่ะในเมื่อพระองค์พ้นจากอาสวะกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายได้แล้วทําบุญเพื่อยจงมีอย่างนี้แล้วแล้วไปปั้นขึ้นให้มีอย่างนี้นะโอ้พระองค์จะไปหลอกลวงคนเอาวิมานอะไรอย่างนั้นนะได้อะไรมา พระองค์เห็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นจริงเห็นแจ้ง <c oughs> แต่มันสำคัญอยู่ที่ผู้ฟังสิวันี้นะผู้ฟังนี่ไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะว่ากิเลสตัณหามันย้อมจิตเอามันชักจะเอ็งเอียงไปตามอํานาจแห่งกิเลสตัณหานู่นใจมันไม่ค่อยน้อมไปในคาสอนของบ๊อบพระเจ้า เรียว่ามันโน้มไปในคําสอนของพระเจ้าน้อยโน้มไปทางกิเลสตัณหามากอย่างนี้มันก็ร่วงเกินคําสอนของพระเจ้าได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจผู้ใดมันก็เกิดมีธรรมประเภทนั่นขึ้นอย่างนี้แหละโน้มไปทางอากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้น อันน้มีทางกุศลธรรมกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นดังนั้นน่ะชีวิตของคนเราทั้งชีวิตนี่จึงชื่อว่าจิตดวงเดียวเนี่ยสำคัญนะต้องให้เห็นความสำคัญของจิตนี่ให้มากทีเดียววะเราทำบุญกุศลทําคุณงามความดีต่างๆอยู่นี่ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่แหละ ให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อผู้อื่นนี้เพื่อน้อมเอาบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญ น, นี้มาชำระล้างกิเลสบาปประทำออกจากกิจดวงนี้เราไม่ได้ทำบุญเพื่ออย่างอื่นเหมือนอย่างเราซื้อสบู่มาอย่างนี้นะเราไม่ได้เอามาเพื่ออย่างอื่นเนี่ยเอามาถูร่างกายนี่ ให้สบู่มันทำหน้าที่ขจัดเหงื่อใครที่ติดเกล็กังอยู่ในร่างกายนี้ออกไปให้ร่างกายนี้มันสะอาดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเราให้ทานไปก็เพื่อที่จะให้ผลทานนี่ขจัดความโลภออกจากจิตใจนั้นความตณีความหวงแหน ให้มันเบาบางไปให้ทานไปมากเท่าไรความโลภความตณีมันก็เบาบางไปจากใจไปเท่านั้นแหละเราจเจริญเมตตากรุณารักษาศีลสมทานมั่นอยู่ในศีลก็เพื่อที่จะละความโกรธเพราะคุณธรรมเหล่านี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธ หมายความว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องทําลายความโกรธหมายความว่าอย่างนั้นเหมือนอยัางยาบางขนาดเนี่ยมันไปขจัดโรคได้บางอย่างอย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาให้นั่งสมาธิพยายามทําใจที่ฟุ้งซ่านเรื่องลอยให้สงบลง ให้ได้แล้วก็จะเริญนปัญญาให้เกิดขึ้นมูนี้ก็เพื่อขจัดความหลงอันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมใส่ตัวโดยไม่รู้ตัวเลยนี่ก็เพราะมันหลงนั่นแหละเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดนี่นึกว่าทําอย่างนี้มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันเข้าใจไปอย่างนั้นน่ะท่านจึงเรียกว่าหลง วันนี้เมื่อบุคคลภาวนาทำใจให้สงบลงไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นได้เลยว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดศีลข้อนั้นมันผิดธรรมข้อนั้นเชนี้มันรู้ได้พอ mm. มันรู้ได้แล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลนั้น แล้วเมื่อปัญญามันลึกซึ้งละเอียดเข้าไปกนนั้นมันก็จะมองเห็นว่าการที่ได้มาเกิดอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เพราะแต่ก่อนมาโนนมาคนหลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตอนห่วงมันไว้ห่วงมันไว้ไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยจิตใจนี่นะ เรี ว, ว่าไม่ภาวนาซ้แหละคนที่ยึดมั่นในขันห้าอย่างหนิวแน่นละมันไม่ยินดีจะภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วกพกลัวจะได้ปลงได้วางขันห้านี่ดังนั้นแหละคนเรานะ่มันถึงหลงง่วงอยู่ในวัตาสงสารนี่มันขี้เกียจทำความเพียรภาวนาฝึกพ้นจิตใจ นี่นะนั่นแหละเราทําความดีต่างๆดังกล่าวมานี่นะก็เพื่อที่จะชําระล้างความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งให้มันออกไปจากกิตใจนี่เท่านั้นเองเนยไม่ไม่ใช่ทําเพื่อมุ่งให้คนทั้งหลายได้สรรเสริญเยินยอให้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียง หรือว่าให้บุญกุศลนี่นาตนให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรไปทำนองนั้นอย่าไปมุ่งอย่างนั้นการทำความดีเนะ่ะต้องให้มุ่งเพื่อให้บุญกุศลความดีแล่านั้นมาขจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสุขความสงบของจิตใจนี่ออกไปเมื่อใจบริสุทธิ์ในขั้นไหนแล้ว ไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเกิดเช่นว่าใจบริสุทธิ์ในขั้นที่จะต้องไปเกิดเป็นเ ท, เทวดาอย่างนี้นะเมื่อจิตวิญญาณละจากร่างอันนี้แล้วมันไปเองมันแหละบุญกุศลนั่นแหละพาไปเลยไม่ต้องปรารถนามันก็มันก็ไปเองมันเพราะมันมีขั้นตอนอยู่เป็นอย่างนั้น ถ้าว่าผู้ใดชำระจิตใจมันบริสุทธิ์ในขั้นพรมอย่างนี้นะเช่นอย่างภาวนาไปจนได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่อย่างเนี้ยไม่ปรารถนาอยากจะไปเกิดพร ม, มาโรคมันก็ได้ไปเมื่อเวลาหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้วนะเพราะว่าคุณธรรมที่ จะเป็นญาณพาหานะพาไปพาดวงกิจเนี่ยไปเกิดพรหมโลกมันมีอยู่พร้อมแล้วเหมือนอย่างบุคคลที่มีเงินแล้วไปซื้อรถมาสักคันหนึ่งอย่างนี้นะรถนั้มันจอดรออยู่หน้าบ้านนั้นแล้วนั่นนี่พร้อมทั้งโซโฟเฟอร์แล้วพะตนลงจากบ้านแล้วก็ ไปขึ้นรถยนต์นั้นโซเฟอร์มันก็พาบึงไปสู่ที่ตนต้องการจะไปนั่นนะองอย่างนั้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบคุคคลบำเพ็ญกุศลธรรมประเภทไหนให้เกิดมีขึ้นในตนกุศลธรรมประเภทนั้นก็เป็นญาณพาหานะรองรับดวงจิตนี้ไปสู่ที่หมายปลายทางนั้น แต่ถ้าว่าคนใดมาชําระจิตนี้ให้กิเลสมันหมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี่จริงๆอเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหน้าคืนหลังอะไรแล้วแบบนี้นะนั่นอันที่ว่ายังไปหน้ายังคืนหลังอยู่นี่หมายความว่ายังละกิเลสต่างๆยังไม่หมด กิเลสบางอย่างนะแต่กิเลสดีกิเลสอันนั้นประกอบอยู่ด้วยบุญกุศลนั่นแหละกิเลสอันนั้นมันก็พาไปเกิดที่ดีพอมันมันเป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยอยู่บุญกุศลถ้าหมดกิเลสทั้งหลายแล้วเหลือแต่บุญรุน่นรุนแล้วกับเหลือแต่บุญกุศลรุวนรุ่นนะครับ ไม่ไปไหนแล้ววะนี่อิ่มแล้วเต็มหมดแล้วเมื่อมันเต็มหมดแล้วนะมันก็จะไปไหนอะ่ะเหมือนอย่างบุคคลตักน้ำใส่โอง่งใส่ไหยอย่างนี้นะเมื่อมันเต็มเพียบปากไหแล้วมันก็อยู่น้ำมันก็อยู่นิ่งอยู่นั่นแหละเพราะว่าไหานั่นน่ะ มันมีความเข้มแข็งพอที่จะรับน้ำนั้นไวไม่ให้ไหลไปในที่อื่นเลย อ, อย่างนี้แหละไม่แตกไม่ร้าวน้ำก็ไม่รั่วไม่ซึมไปในที่อื่นได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วจิตนี่ก็หายอยากหายหิวแล้ว อยากไปเกิดที่โน้นที่นี่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อขึ้นว่าอารหันต์คำว่าอารหันต์ในที่นี้แปลว่าหยุดหยุดหมุนหยุดหมุนเกิดแก่เจ็บตายสเสวยสุขสเสวยทุกข์ไปในสงสารนี้ได้แล้ว Mm hmm. นั่นถึงได้มีคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นในท่านผู้เช่นนั้นน่ะนามว่าพระอรหันต์แปลว่าพระผู้หยุดหมุนไปในวตาสงสารแล้ว mm hmm. หยุดมุ่งหมายของการประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆ ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ดังกล่าวมานี้อย่าไปตั้งเป้าหมายไว้พิษถ้าว่าตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นมันก็จะไม่นิ่งนอนใจอลไรแบบนี้พอะรู้รู้ดีว่าเมื่อตอนสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้ว ตนก็ยังจะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่อย่างนี้แหละไม่ยังจังจบลงไม่ได้ก่อนเพราะการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกขาชาติปุณพูนัง<ม>การเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์มากมก็ให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้บางคน ผู้ที่ถูกตัณหามันฉาบทาจิตใจมากๆเข้านี่มันผิเห็นกงกันข้ามนะโอ้การได้เกิดมาอย่างนี้แหละมันสุขสุขสนุกสบายดีมันสนุกสนานดีอมันไปอย่างนั้นชอบเกิดเรื่องของตัณหาแล้วนะเมื่อละตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปแล้วมันไม่อยากเกิดอีกแล้ววะนี่ เพราะว่ามันเห็นทางเองความสงบสุขแล้วนี่คนเราเมื่อไม่อยากอะไรแล้วในใจนี่หละมันก็มันก็ไม่มีทุกข์แล้วใจนี่ไม่เป็นทุกข์แล้วเมื่อมันหายอยากหายหิวแล้วมันเป็นสุขสม่ำเสมอไปเรื่อยไปเป็นอย่างนั้น ไอ้บุคคลผูท้ที่ยังละความอยากไม่หมดนี่เวลาความอยากมันสงบไปก็จึงได้ความสบายใจเวลาความอยากมันกำเริบขึ้นมาก็เป็นทุกข์ใจไม่ใช่ทุกแต่ใจทุกกายด้วยใจก็ต้องใช้กายแสวงหาทําการทํางานแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ย สะสมเงินทองเข้าของให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนาฏตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีพระศาสดาทรงตรัสไว้เมื่อบุคคลใดไม่เห็นโทษของมันแล้วสะสมมันไปเท่าไรมันก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเลยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทะเลนู้น อ, องค์เปรียบไว้น้ำมหาสมุทรทะเลมันก็ยังมีฝั่งบังคับไว้ได้ถึงมันจะก้วงใหญ่ไพศาลอย่างไรมันก็จะเลยฝั่งไปไม่ได้เลยอันอันนี้ตันหาของในใจของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยับยั้งมันไว้ได้ด้วยคุณธรรม มีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแล้วมันไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตจริงๆตัณหาความทะเยอะทะยานอยากภายในจิตใจของคนเราเนี่ยด้วยเหตุนั้นนะพระศาสดาจึงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั่นเนะี่ย <c oughs> ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านมองเห็นโทษแห่งตัณหาดังกล่าวมานี่แหละก็จึงพยายามตัดทอนตัณหาความอยากนั้นให้น้อยเบาวางออกไปจากกิจใจเริ่มแรกก็ละตัณหาหยาบๆอันมันพาให้ไปทำบาปทำกรรมชั่วนั่นแหละก่อนเช่นละตัณหาความอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาตอยากดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดนี่มันต้องละความอยากประเภทนี้ก่อนถ้าหากว่าตนไม่สามารถจะละความอยากให้ขาดเด็ดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ต้องละเป็นขั้นๆไป ถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะละความอยากขั้นยำหยาบนี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไม่เพียรที่จะละความอยากคือตัณหานี่ออกไปจากกิจใจเลยแม้แต่น้อยเดียวะละความอยากอย่างอื่นมีมันจะมีประโยชน์อะไรเล่านั่นแหละในเมื่อ ความอยากอันประกอบไปด้วยบาปอากุศลอย่างว่านี่ตนไม่ละแล้วมันก็พ้นทุกไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นตนจะให้ทาน ต, ตั้งเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ให้ไปสิแต่แล้วก็ยังไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอยู่อย่างนี้นะมันจะไปพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้อย่างไรอ่ ะ, อะมันก็พ้นไม่ได้ อำนาจผลทานนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาสกัดกั้นบาปอากุศลที่บุคคลกระทำไว้ได้ไม่มีทางนะงแต่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกลัวกันฝ่ายนั้นก็ต้องให้ผลไปก่อนเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าบุญนี่มีกำลังมากกลัวบาปอย่างนี้เวลาตายลงไปแบบนี้ บุญนนะมันก็ให้ผลก่อนอบุญนนะมันก็นนำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดในที่สุขสบายก่อนแต่อย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจว่าบาปที่ทำไว้นั้นมันจะหมดอายุลงนะไม่ใช่มันต้องตามสะกดรอยอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าบุญกุศลที่ผู้นั้นทำนั้นหมดอายุลงเมื่อใด บาปมันก็ให้ผลสืบต่อไปเป็นอย่างนี้ก็พึ่งศึกษาเหตุปัจจัยแห่งชีวิตให้รู้ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งอย่างนี้มันมันถึงจะเกลียดต่อบาปแบบนี้นะมันถึงจะเบื่อนายต่อการกระทำบาปเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ ละตันหาประเภทนั่นได้เนี่ยความอยากทำบาปนั้นมันก็ระงับลงแหละเพราะว่ามันกลัวทุกนี่มันไม่ต้องการทุกขไม่ต้องการหมุนเวียนไปหาทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละผู้ใดอยากจะรู้จักว่าบาปบุญอยู่ที่ไหน นั่นต้องภาวนาถ้าว่าบาปบุญไม่มีอยู่ภายในใจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วโลกหน้านั่นมันก็ไม่มีนี่ต้องต้องมาดูปัจจุบันนี่ถ้าดูเพ่งดูจิตใจนี่เมื่อเห็นว่าจิตนี่ไม่ไม่โลกจิตนี่ไม่โกรธจิตนี่ไม่หลง เห็นแจ้งในขันห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ยังละอุปทานให้ขาดเด็ดไปทั้งหมดไม่ได้เช่นนี้แล้วก็รู้ได้เลยว่าตนละบาปอากุศลส่วนยาหยาบนั่นออกจา ก, กจิตใจได้นั่นแหละก็รู้ได้ว่าตนไม่ได้สร้างนรกขึ้นในจิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อตายลงมันก็ไม่ต้องไปแหละไปสู่นรกนั่นนะในโลกหน้านั่นน ะ, ะเพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่นรกนี่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สร้างไว้เลยเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วผู้นั้นก็ให้ทานเมื่อให้ทานมันก็ได้บุญอย่างนี้หละเมื่อไม่โกรธแล้วผู้นั้นก็ยอมมีศีลมีสัตว์อยู่ในใจมันก็เป็นบุญกุศลอย่างสูง ขึ้นไปกลัวให้ทานนั้นการรักษาสินไม่มีกรรมไม่มีเวนัน้นชั่วรายติดตามไปเมื่อบุคคลมีสินบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่เกียกครคคลานภาวนาสมาธิทำใจให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริงเป็นอารมณ์อยู่เสมอ อผู้นั้นก็ยอมละความหลงความไม่รู้นั่นให้ระ ง, งับดับไปได้ให้ความรู้ความฉลาดบังเกิดขึ้นในจิตใจเช่นนี้ล่ะผู้นั้นก็มองเห็นว่าตนนั่นมีกุศลอยู่ในใจอืมมีสวรรค์อยู่ในอกนี่แล้วก็เห็นแจ้งเลย่ะ รู้เรื่องของตัวเองว่าตนตายลงไปนี่ไม่ไม่ต้องไปสู่ทุกติแน่นอนทีเดียวก็พยากรณ์ตัวเองได้เป็นอย่างนั้นจึงสมกับว่าสันทิธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองเห็น นรกอยู่ในอกในใจนี่เห็นสวรรค์อยู่ในอกในใจนี่เมื่อมันเห็นสวรรค์อยู่ในใจอย่างว่านี่นะสวรรค์โลกหน้านั้นมันก็มีห ม, มายความไว้อย่างนั้นเมื่อมันเห็นว่าใจตัวเองนี่มันยังชอบทำบาปอยู่ยังละบาปไม่ได้ เวลาที่ใครทำอะไรไม่ถูกใจมันยังโกรธรุนแรงคิดจะฆ่าจะแกงอยู่อย่างนี้แสดงว่านั่นแหละผู้นั้นสร้างนรกขึ้นในใจแล้วเมื่อนรกมีอยู่ในใจนี่แล้วโลกหน้านุ่นมันก็มีอยู่แหละวบด น, นี้น ะ, ะมันเป็นอย่างนั้น อย่าไปสงสัยเลยถ้ากิเลสอย่างว่านั้นไม่ปรากฏอยู่ในใจแล้วนรกในโลกหน้านั้นก็ไม่มีนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาสิ้นสงสัย เมื่อตอนรู้แจ้งประจักษ์้วยตนเองสิ่งใดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปถามผู้อื่นแล้วในเรื่องนั้นนะ่ะไปถามแต่เรื่องที่ยังไม่รู้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนานี่มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ผู้นับถือพุทธศาสนานต้องให้เข้าใจจุดมุ่งหมายอย่างนี้ มันก็ถึงจะถูกต้องอเพราะฉะนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตนี่มันเป็นหมันไปเสียเปล่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วได้ประทานคำสั่งสอนไว้ให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษาสดัตตรับฟัง แล้วเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามอันนี้นะเหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างพระราชามหากษัตัิย์ไม่ต้องทำไรไ่ไถนาเองไม่ต้องเป็นพ่อครัวไม่ต้องทำปรุงอาหารเองพ่อครัวทำอาหารปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยกมาถวายให้เสวยเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาเต็มบริบูรณ์และพระองค์ก็ออกบทเสวงหาทางสวรรค์ทางพระนิพพานโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนพระองค์ค้นพบ สวรรค์คงพบพระนิพานก่อนคนอื่นทั้งหมดกวัวว่าจะพบก็ได้รับความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นผู้เบิกบุกเบิกเป็นผู้แรกเป็นพระองค์แรกนั่นมันก็ต้องลำบากแหละทีนี้เมื่อพระองค์รู้แจ้งหนทางพ้นทุกได้โดย ชัดเจนแล้วพระองค์เจ้าก็กลั่นกองเอาทางพ้นทุกนั้นโดยเฉพาะมาแสดงให้ผู้อื่นฟังบัดนี้นะให้คนทั้งหลายฟังอะคนทั้งหลายฟังแล้วก็ได้รู้ชัดเลยว่าอ๋อนี่เป็นทางพ้นทุกจริงๆนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไปทนทุกข์ทรมานค้นคว้าให้ลําบากหมายความว่าพราะองค์หยิบยื่นเอาให้เลย เมื่อผู้นั้นรับเอาแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามได้เลย <c oughs> ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วจึงว่าเราน่ยมันรู้แนวทางปฏิบัติกันอยู่แล้วต่างแต่ว่าบุคคลนั้นๆน่นนะจะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระุทธเจ้านั้นได้มากน้อยเท่าไรเท่านั้นแหละ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าผู้ปฏิบัติมากมันก็ได้ผลมากผู้ปฏิบัติน้อยมันก็ได้ผลตามน้อยผู้ปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็้นทุกข์ใหในวัฏฏะสงสารไปได้โดยแท้จริงดังกล่าวมา